เตจตาริสะวัตต์ว่าด้วยวัด43สามข้อในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติพึงประพฤติชอบการประพฤติชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท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 13. ไม่พึงยินดีการประนมมือของปกจัตตพิสุทธิ์สิบสไม่พึงยินดีสามีจีกรรมของปกจัตตพิสุทธิ์สิบหไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกจัตตพิสุทธิ์สิบหไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกจัตตพิสุทธิ์สิบเ ไม่พึงยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกตะตะพิุกษุ 18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตะตะภิกษุ19ไม่พึงยินดีการรับบาทและจีวรของปกตะตะภิกษุ20ไม่พึงยินดีการที่ปกตัตะพิษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำ 21. ไม่พึงใส่ความปกตตะพิกษุด้วยสีรวิบัติ22ไม่พึงใส่ความปกตตะพิกษุด้วยอาจาระวิบัติ 23. ไม่พึงใส่ความปกตตะพิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ24ไม่พึงใส่ความปกตตะพิษุด้วยอาชีววิบัตยยิ 25.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 ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปัจกตตะภิกษุ 32. ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปัจกตตะภิกษุสาไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปัจกตตะภิกษุ 34. เห็นปกตัตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 35. ไม่พึงลุกกรานปกตัตะภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหาร 36. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกตัตะภิกสุ 37. ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตัตะภิกสุ 38. ไม่พึงทำการไต่สวน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 ในอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตจบ